วันนี้มีแบ่งเป็นสองช่วงช่วงภาษาอังกฤษกับช่วงภาษาไทยช่วงภาษาอังกฤษก็ประมาณสามโมงไปแล้วช่วงภาษาไทยก็เป็นช่วงแรกตอนนี้ถึงประมาณสามโมงดังนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ขอให้ส่งคําถามเข้ามาในช่วงแรกนี้ได้เลย ใครอยู่ที่นี่ถ้าอยากจะถามอะไรก็ถามได้เข้ามาที่ศาลานี้ก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งคาถามเข้ามาก็ได้การศึกษาธรรมะนี้มีอยู่สองลักษณะด้วยกันคือการฟังและการสนทนาธรรมการฟังธรรมก็สาหรับผู้ที่ ยังไม่มีคำถามก็นั่งฟังไปเรื่อยๆแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะมีอะไรมาเล่ามาบอกก็ฟังไปก่อนหลังจากที่ได้ฟังแล้วถ้ายังไม่เข้าใจในบางเรื่องบางตอนก็สามารถถ้ามีเวลามีโอกาสก็เข้าไปสอบถามได้เพื่อที่จะได้ ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพราะเวลาฟังบางครั้งเราก็อาจจะ ย, ยังไม่เข้าใจความหมายของคําที่เราได้ยินเพราะภาษานี้มันมีหลายความหมายเราอาจจะเข้าใจความหมายหนึ่งแต่ท่านอาจจะพูดอีกความหมายหนึ่งถ้าไม่ม า, าถามเพื่อ เพื่อตอกย้ำว่าเป็นความหมายอันไหนก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ยิ่งภาษาไทยเหล่านี้มีความหมายหลายอย่างเช่นคำคำคำที่ใช้ในศาสนากับคำที่ใช้ในชีวิตประจาวัน <S <S 1> <S 1> นี้มันใช้คำเดียวกันแต่มีความหมายต่างกันเช่นคำว่าสติ กับคำว่าสมาธิอันนี้เรามักจะใช้กลับกันญาติโยมจะใช้คำว่าสมาธิแทนสติเช่นจะพูดว่าวันนี้ไม่มีสมาธิในการเรียนเลยไม่มีสมาธิในการทำงานเลยไม่มีสมาธิในการาทำอะไรเลยเพราะว่าใจวุ่นวาย ่ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความจริงคำนี้ควรจะเป็นคำว่าสติมากกว่าสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเวลาเราทําอะไรเราต้องมีสติเราถึงจะรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังอ่านหนังสือเราต้องมีสติอยู่กับการอ่านหนังสือ ถ้าเราไปคิดถึงคนนั้นคิดคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจความหมายนี่คือคำควาว่าสติส่วนความจริงคำ ว, ว่าสมาธิทางศาสนานี้หมายถึงเวลาที่เรานั่งเฉยเฉยนั่งหลับตาแล้วดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไป จนจิตรวมลงสู่ความสงบไม่คิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละคือคำว่าสมาธิเห็นเวลาพูดบางทีจะญาติโยมจะไม่เข้าใจญาติโยมคิดว่าสมาธิก็คือการมีสติอยู่กับงานที่กำลังทำหรือ อยู่กับสิ่งที่กำลังอ่านหรือกำลังฟังอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่สมาธินะอันนี้เรียกว่าสติสมาธินี่จิตต้องนิ่งสงบซึ่งในชีวิตประจำวันของผู้ที่ไม่ได้ฝึกสมาธินี้จะไม่มีวันที่จะสัมผัสกับสมาธิได้เลยเพราะสมาธินี้ต้องใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิด ไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าจิตอยู่กับคำบริกรรมพุทโธก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ดังนั้นคำว่าสมาธิของญาติโยมนี้ความหมายคือสตินั่นเองวันนี้ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยเพราะกังวลกับ เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีสมาธิ ก, กับการอ่านหนังสือเลยความจริงต้องเรียกว่าสติแต่เราเอามาใช้ผิดกันถ้ามีสมาธิแล้วจะไม่อ่านไม่รู้อะไรทั้งนั้นจิตจะเข้าข้างในจิตจะปิดตะวานทั้งห้าคือจะไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพนะเวลาจิตเข้าสมาธิเป็นอย่างนั้นจิตจะเข้าไปข้างในก็ไปในใจ ตอนนี้ใจจิตของเราออกมาข้างนอกใจออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายออกมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็เสบรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้มาสัมผัส ร, รับรู้ให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วถ้าไปเสบกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ดีก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราจึงต้อง ฝึกจิตให้เข้าข้างในบ้างเพราะว่ารูปเสียงเกลิยนรสที่พวกเราออกมาเสพกันนี้มันมีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปะสั่งให้มันมีแต่รูปเสียงกลียนรสที่ให้ความสุขอย่างเดียวรูปเสียงเกลิยนนรสนี้มันมาเป็นคู่สลับกันมาบางทีก็เป็นฝ่ายสุขมา บางทีก็เป็นฝ่ายทุกข์มาเช่นเสียงเนี่ยบางทีเขาก็ชมเราเนี่ยพอเราได้ยินคำชมเราก็มีความสุขขึข้นมาพอใครเขาด่าเราว่าเราก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเสียงได้เสียงที่เราได้ยินเพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเรา แต่เราสามารถที่จะทำให้ใจของเราไม่ต้องทุกข์กับเสียงต่างๆได้ถ้าเรารู้จักดึงใจเข้าข้างในถ้าเราดึงใจเข้าข้างในใจเราจะเข้าสู่สภาพของความเป็นกลางที่เรียกว่าอุเบกขาในสภาพนั้นจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง เวลาออกมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพธพะที่จะมาสัมผัส น, น, นอันนี้แหละที่เราฝึกสมาธิกันเพื่อทำให้ใจเราเป็นกลางเป็นอุเบกขาเพราะอุเบกขานี่แหละคือจุดที่ทำให้ใจเรามีความสุขที่แท้จริง ก็เป็นจุดที่จะทําให้ใจเราไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าใจมีอุบเบกขาแล้วใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยเห็นภาพสวยก็เฉยเห็นภาพหน้าเกลียดก็เฉยจะไม่มีอารมณ์จะคิดถึงเรื่องที่ดีก็เฉย คิดถึงเรื่องที่ไม่ดีก็เฉยนี่แหละคือจุดที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับใจของพวกเราที่พวกเร า, เาไม่รู้กันพวกเรากลับไปคิดว่าจุดที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราก็คือรูปเสียงกล่นลดต่างๆพวกเราออกไปหารูปเสียงกล่นลดกันเพราะเราคิดว่าการที่เราได้สัมผัสกับรูปเสียงกล่นลดแล้ว จะทําให้เราเกิดความสุขซึ่งมันก็เป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเองเพราะว่านอกจากความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเรายังได้รับความทุกขจากรูปเสียงกลิ่นรสด้วยบางทีเราไม่ได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราที่ทําให้เราทุกแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่ทําให้เราสุขมันก็ทําให้เราทุกได้ทุกอย่างเลย ก็ทุกตอนที่มันหมดไปมันจากเราไปนั่นเองพอเราเคยเห็นรูปคนนี้เป็นประจำมีความสุขกับเขาทุกครั้งที่เราเห็นเขาวันดีคืนดีเขาตายไปไม่มีวันที่จะเห็นเขาเลยอีกแล้วตอนนั้นเราก็เกิดความว้าเหวเกิดความเศร้าเกิดความเหงาขึ้นมาเพราะเราขาดรูปที่เคยให้ความสุขกับเราเนี่ก็เป็น อีกด้านหนึ่งที่เราไม่รู้กันเราคิดว่าวามรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆเราสามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้อยู่เรื่อยๆแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีเราก็ได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ดีแต่พอเขาจากเราไปเราก็เสียใจบางทีเราก็ต้องไป รับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ดีที่ทำให้เราทุกข์เช่นไปเห็นคนเขาด่าเราไ ป, ไปได้ยินคนเขาด่าเขาว่าเราอะไรเป็นเห็นภาพที่ไม่น่าดูต่างๆเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมานอกจากนั้นร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือในการที่จะไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมันก็มีความไม่แน่นอนเหมือนกัน มันอาจจะมีอะไรเป็นไปไม่ช้าก็เห็วได้ตาอยู่ดีๆอาจจะบอดขึ้นมาก็ได้หูอาจจะหนวกก็ได้เนี่ยพอเครื่องมือที่เราใช้หาความสุขไม่สามารถทำหน้าที่ได้เราก็ทุกอย่างเดียวแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้ว่า มีจุดจุดหนึ่งที่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะมีรูปเสียงกิรถปฎิภาแบบไหนมาให้เราสัมผัสรับรูบร้ก็ตามเราจะไม่เดือดร้อนจะเราจะไม่หวั่นไหวเพราะนี่คือจิตจุดจุดที่ปลอดภัยของจิต พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นพบจุดที่ปลอดภัยอันนี้และทรงค้นพบวิธีที่จะดึงให้ใจอยู่ในจุดนี้ไปตลอดในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทรงค้นคว้าหาความหาจุดนี้อยู่ก็มีผู้อื่นที่รู้จักวิธีเข้าถึงจุดนี้ได้ยุคที่พระพุทธเจ้าออกปฏิบัตินี้มีนัก บ, บวชเลอศีชีพไพร ที่นั่งสมาธิเป็นที่เข้าไปสู่จุดนี้ได้อุเบกขาแต่เขาไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่ในจุดนั้นได้ไปอย่างต่อเนื่องไปตลอด เ, อลเพราะว่าบางทีบเวลาเขานั่งสมาธิได้สักระยะหนึ่งเขาก็ต้องถอนออกมา <c oughs> จิตไม่ต้องการอยู่ในสมาธิจิตก็ดังดั น, ดนออกมา ทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายพอออกมาแล้วพอไปสัมผัสรับรูปรับรู้รรกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจหรือที่ทำให้ทุกข์ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่รักษาใจให้อยู่ตรงจุดอุบเบกขาให้อยู่เฉยๆเห็นเห็นอะไรไม่ถูกใจก็ควรจะควบคุมใจให้อยู่เฉยๆ เห็นได้ยินอะไรก็อย่าไปออกจากจุดนั้นถ้าออกจากจุดนั้นแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีไม่มีใครรู้วิธีจะทำให้ใจอยู่ในจุดนั้นเพราะมีสิ่งที่คอยผลักดันให้ใจออกจากจุดนั้นสิ่งที่คอยผลักดันให้ใจออกจากจุดนั้นก็คือตันหาความอยากต่างๆพอออกมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรส ก็เกิดความอยากได้รูปเสียงเกิดลดนั้นทันทีอยากแบบอยากอยากแบบสองแบบด้วยกันอยากได้ก็มีถ้าเห็นรูปเสียงเกิดรดที่ชอบก็อยากได้ถ้าเห็นรูปเสียงเกิดลดที่ไม่ชอบก็อยากหนีอ่เพราะเกิดความอยากขึ้นมาใจที่นิ่งก็จะเริ่มกระวนกระวายกระสับกระส่ายเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีะ พระพุทธเจ้าเป็นคนที่รู้ว่าวิธีที่จะทำให้ใจเราหายอึดอัดหายกาวนกาวายเวลาออกจากสมาธิมาแล้วต้องมาสัมผัส ร, รับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งต่างๆให้สอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรารับรู้นี้มันเป็นตายรัก์ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป มันเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นเป็นอย่างนั้นเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้รูปรูปอันเดียวกันเนี่ยบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีใคนที่เราเห็นวันนี้อารมณ์ดีเขาก็พูดดีทำดีพอวันวันไหนอารมณ์เขาไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีทำไม่ดีขึ้นมาอพอเราไปเจอรูปที่ไม่ดีเราก็อยากจะหนี พอเราอยากหนีถ้าหนีไม่ได้ก็เกิดอาการอึดอัดนะที่จะต้องอยู่กับคนที่เราไม่อยากจะอยู่ด้วยอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าสงคลพบวิธีแก่ว่าเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาดีบ้างไม่ดีบ้างสลับไปสลับมาเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่เราควบคุมใจเราได้เราสามารถทำให้ใจเราไม่อึดอัดได้ ถ้าเราหยุดความอยากที่จะหนีจากเขาไปเมื่อเราห้ามเขาไม่ได้เราหนีไม่ได้ก็มาหยุดความอยากหนีเท่านั้นเองหยุดความอยากหนีด้วยสตินี่แหละพุโทโธพุโทโธไปจนกว่ามันจะอ่อนกำลังลงพอความอยากหนีหายไปก็อยู่เฉยๆได้อยู่กับเขาได้ไม่เดือดร้อนอะไรนี่แหละเป็นเป็น เป็นส่วนที่ไม่มีใครรู้คือที่เรียกว่าปัญญาไม่รู้จักรักษาให้ใจอยู่ในจุดอุเบกขาหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วเพราะหนึ่งไม่รู้ว่าอะไรทำให้ใจออกมาจากจุดนั้นซึ่งซึ่งเป็นจุดที่ดีแสนดีก็คือตันหาความอยากนี่เองแล้วตันหาความอยากก็เกิดมาจากความหลงเอง ความที่ไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราอยากจะไปควบคุมบังคับอยากจะไปเปลี่ยนมันเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปเปลี่ยนอยากไปเปลี่ยนเขาปล่อยเขาเขาจะดีก็ปล่อยเขาดีไป เขาจะไม่ดีก็ปล่อยเขาไม่ดีไปนี่คือวิธีที่จะรักษาใจให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิต้องใช้ปัญญาต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาสัมผัสว่ า, วามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เกิดเกิดดับดับขึ้นขึ้นลงลงเราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นพอเกิดความอยากเราจะทาให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากเรารอบรู้เฉยเฉยเราจะไม่ทุกข์ น, นี่คือถ้ารู้แล้วแต่ใจยังยังดื้ออยู่ยังอยากอยู่เราก็ต้องใช้สติหยุดมันรู้ว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราต้องอยู่กับเขา แต่มันยังเออเออเอออย่างงั้นก็ต้องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปฮึดทัดอะไรกับเขาปล่อยเขาไปพอหยุดไอ้ตัวนี้ได้แล้วใจก็สบายเหมือนบางทีโกรธใครเขาดูถูกเราย้ำเรามาอยากจะฆ่ามันอย่างนี้มันก็อึดอัดขึ้นมาทันทีความอยากจะฆ่าคนอยากจะทําร้ายเขาเพราะถูกเขายามถูกเขาอาดูถูกเหยียดยาม อยากจะแก้แค้นอยากจะอะไรแต่ทําไปแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาดีไม่ดีต้องฆ่ากันตายไปแต่ถ้าเราหยุดไอ้ตัวอยากนี่ได้อยากที่จะไปล้างแค้นอยากจะไปตอบโต้เขาใจมันจะคอยแย่แล้วกิเลสมันจะคอยแย่แล้วเราหน้าตัวเมียบ้างเราขี้ขาดบ้างอันนี้หละตัวร้ายกาศไม่ใช่ใครหรอก ไอ้ตัวกิเลสที่อยู่ในใจโมหะอวิชามันจะมาหลอกมายุให้เราไปต่อสู้กันไปฆ่ากันไปทําลายกันเราอย่าไปฟังมันเราต้องดูว่าเนี่ยการชนะถ้าอยากจะชนะต้องชนะไอ้ตัวนี้ชนะไอ้ความอยากที่จะไปทํำลายเขาเนี่ยอย่าไปทําร้ายเขาอย่าไปชนะคนอื่น ชนะคนอื่นแล้วเป็นเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวมีการจองเวรจองกรรมกันนัางแค้นกันตามมาถ้าชนะไอ้ความอยากที่จะไปทำร้ายผู้อื่นนี้ได้ทุกอย่างก็จะสงบใจเราก็จะหยุดอึดอาจใจจะรู้สึกโล่งเบาสบายปล่อยให้เขาด่าไปปล่อยให้เขาดูถูกดูแคลนไปเพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าเราทำะไรเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ ห้ามเขาไม่ได้ถ้าถ้าหลบได้ก็หลบหลีกได้ก็หลีกถอยได้ก็ถอยถ้าถอยไม่ได้เขาจะพูดจะด่าจะตีเราก็ต้องทนอย่างเดียวคิดถึงผลที่ดีที่จะตามมาดีกว่าที่ไปมีเรื่องกันมีเรื่องแล้วมีแต่ผลเสียถ้าไม่มีเรื่องแล้วไม่มีผลเสียถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเรา ถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ทุบตีเราถ้าเขาทุบตีเราก็คิดว่าดีแล้วยังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีเหมือนกันเกิดมาก็ต้องมีวันตายกันทุกคนอยู่ไปไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายเหมือนกันอยู่นานหรืออยู่ไม่นานมันก็ตายเหมือนกันอยู่ต่อไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เหมือนกัน ถ้าคิดอย่างนี้แล้วตายเร็วกับดีกว่าตายช้าจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปหางานหาเงินไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปรักษาร่างกายมีร่างกายมันดีที่ไหนวุ่นวายไปไม่รู้จักจบจากสิ้นวันวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ต้องหาหากินกันละอาบน้ำอาบท่าให้ร่างกายแล้วแล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ ใส่แล้วก็ต้องเอามาซักโอ๊ยมีแต่ภาละลุงหลังเต็มไปหมดถ้าตายนี้สบายกว่าอยู่เป็นดวงวิญญาณสบายกว่าไม่ต้องมีร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายไปกลัวอะไรถ้าตายแบบสงบตายแบบไม่มีเรื่องจะเป็นเทวดาถ้าตายแบบมีเรื่องจะไปเป็นนรกกันใจจะอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรกเกียรติกันนี่คือคำ สิ่งความจริงที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้ฟังธรรมเราจะไม่รู้แล้วคนจะไม่เข้าใจคนจะคิดว่าศาสนาพูดนี่โง่ปล่อยให้คนอื่นเขาเบียดเบียนปล่อยให้เขาลุกรานปล่อยให้เขาขเย่งแกอะไรต่างๆแต่ความจริงศาสนาพูดนี่ฉลาด หรือว่าสิ่งที่เราได้มันไม่คุ้มเสียเราไปต่อสู้กันก็นกไปจองเวรจองกรรมกันเวลาตายก็ไปนรกด้วยกันทั้งคู่ทั้งเขาทั้งเราใจเขาก็ร้อนใจเราก็ร้อนแต่ถ้าเราเฉยปล่อยเขาเขาร้อนไปคนเดียวเราเย็นของเราไปแต่เราเฉยได้แล้วเราจะเย็นตายไปเราไม่ไปอบายไม่ไปนรกใจเย็นไม่ไปอบายใจร้อน ถึงจะไปอบายร้อนเพราะความโลภ ก, ก็เป็นเปรตร้อนเพราะความกลัวก็เป็นนสุลกายร้อนเพราะความอาฆาตพยาบาทก็เป็นนรกเนี่ยร้อนเพราะความหลงก็เป็นเดลฉานแต่ถ้าเราเฉยะเระงับความรักรักชังกลัวหลงได้ตัวรักชังกลัวหลงเนี่ยที่ทำให้เราไปทำบาปกัน ทำบาปเพราะความรักก็คือความโลภก็ไปเป็นเปรตทำบาปเพราะความชังก็ไปเป็นผีเป็นอส่ร่กายทำบาปเพราะความชังก็เป็นนรกทำบาปเพราะความหลงก็ไปเป็นเดรัชานะถ้าเรารักษาใจให้เป็นอุเบกขาได้มันจะระ ง, งับความรักชังกลัวหลงได้มันจะเฉยเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆแม้แต่เวลาตายมันก็เฉยได้ เพราะมันรู้ว่าร่างกายก็เป็นตายรักเหมือนกันร่างกายก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันเราก็ห้ามมันไม่ได้เหมือนกันเราอย่าไปทำอะไรมันดีที่สุดนะดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปถ้าดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้มันจะตายก็ให้มันตายไปอย่าไปกลัวอย่าไปชังอย่าไปอะไรเฉยเฉย แล้วจะไปดีไปสบายถ้ากลัวก็ก็ทุกขนะน้อนขึ้นมาถ้าโลภอยากจะให้มันอยู่ก็ทุกข์อีกฉะนั้นเฉยๆดีที่สุดจะเฉยได้ต้องมีตายรักต้องเห็นทุกอย่างที่เราไปวุ่นวายด้วยว่ามันเป็นตายรักเราไปทำอะไรมันไม่ได้ควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้มันเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากเปลี่ยนมัน ถ้าไม่อยากทุกข์ก็ปล่อยมันเฉยๆไปนี่คือเรื่องของอุเบกขาเรื่องของสมาธิอันนี้แหละคือสมาธิแต่สมาธิที่เราพูดกันมันคือสติวันนี้ไม่มีสติในการทำงานเลยกังวลกับเรื่องเมื่อเช้านี้ก็ไปพบคนหนึ่งเขาก็กังวลกับเรื่องครอบครัวเขาอนาคตของเขา ทำงานใจก็ไม่เป็นไม่อยู่กับงานกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้เรียกว่าไม่มีสติอยู่กับการทำงานดีไม่ดีเดี๋ยวงานก็ผิดพลาดไปได้ถ้าบวกลบคูณหารเดี๋ยวก็บวกมากเกินไปหรือลบน้อยเกินไปยอดออกมาไม่ตรงกับความเป็นจริงอีกต้องมานั่งรับนับกันใหม่อีกนี่คือไม่มีสติไม่ใช่ไม่มีสมาธิ นังนั้นบางทีเวลาพูดเรื่องสมาธิญาติโยมคิดว่ามีกันไม่มียังไม่มีสมาธิคนที่มีสมาธินี่ต้องเป็นพวกฤาษีชีพายพวกที่ไปอยู่ในป่าในเขานั่นไปนั่งหลับตาพุทโธพุทโธถ้าเป็นพวกญาติโยมที่มีบ้างก็อาจจะเป็นพวกพิเศษพวกที่เคยฝึกมาในชาติก่อนเคยเป็นฤาษีชีพายหรือเคยฝึกสมาธิในชาติก่อนมา พออยู่ตามนำพังคนเดียวนั่งหลับตาพุทธโธก็จิตก็เข้าสมาธิได้แต่มีน้อยดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าทําไมบางทีเราต้องมีการถามตอบกันเพราะว่าบางทีอาจจะเข้าใจผิดเราก็ต้องมาอธิบายกันให้เข้าใจมีคําถามเข้ามาบ้างหรือยัง อ่นี้ลองถามดูถ้าใครอยู่ที่นี่อยากจะถามก็ยกมือขึ้นมานะจะส่งไมโครโฟนไปให้่วกนี้เอาคำถามทางบ้านก่อนก็ได้มีเข้ามาเยอะั้มมีประมาณสี่ข้อเอ่อก่อนคำถามจากทางบ้านนะครับคุณอารยา ต, ตัวเองได้เอาเงินบริจาคของวัดไปใช้แต่ได้คืนให้แล้วจะเป็นบาปหรือเปล่าคะโยมทุกใจมากค่ะถ้าใช้ครบก็ไม่บาปนะถ้าทางที่ดีเผื่อไว้หน่อยเผื่อดอกเบี้ยก็ดีเหมือนกันพร้อ <c oughs> มกันมันมันมนันเหมือนต้นไม้เนะี่ยมันมันมันจเจริญเติบโตทุกวินาทีถ้าเงินวัดเขาได้รับไปเ ข, เข้าธนาคารปุ๊บี่ดอกมันเริ่มนับเลย เห็นถ้าเร า, าไปส่งวัด ช, ชา้าปีสองปีแล้วต้องเอาดอกเบีย้ยบวกเข้าไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะขโมยดอกเบีย้ยของวัดไปกินอีกคำถามต่อไปจากคุณภูตะวันถ้าเราทำบุญกับมูลนิธิสัตว์ ที่ต้องมีการนำสัตว์ไปทำหมันหรือบางทีสัตว์โดนทำร้ายหรือโดนอุบัติเหตุต่างๆทำให้ต้องมีการผ่าลูกตาออกหรือตัดขาสัตว์ต่างๆเหล่านั้นและทางบุลณนิธิหรือเพจที่รับดูแลสัตว์ได้แจ้งบอกให้ช่วยกันบริจาคเพื่อต้องรักษาด้วยวิธีที่กล่าวมาแล้วเราร่วมบุญไปเราจะบาปไหมคะถ้าเงินที่เราร่วมไปต้องไปจ่ายค่ารักษาในการดังกล่าว อ๋อไม่บาปหรอกถ้าเป็นการช่วยเหลือรักษาชีวิตแต่ถ้าไปช่วยส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์นำบาปเช่นสัตว์บางทีเขาเห็นว่ารักษาไม่ได้เขาก็เลยฉีดยาให้มันตายอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็บาปแต่ถ้าปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาติจะไม่บาปนะเพระฉะนั้นเราก็ต้องถามมูลนิธิเขาว่ามีการอ่าเวลารักษาแล้วรักษาไม่หายนี่อ ก็ไม่อยากให้มันทรมานก็เลยฉีดยาให้มันตายหรือเปล่าถ้าฉีดมันก็มันเราก็มีส่วนในการสนับสนุนให้มีการฆ่ากันทางาศาสนานี่เราถือว่าไม่ว่าจะฆ่าด้วยความเมตตาหรือฆ่าด้วยความไม่เมตตาก็บาปเหมือนกันแต่ทางทางโลกก็อาจจะถือว่าการฆ่าด้วยความเมตตานี้เป็นเป็นบุญเพราะช่วยให้เขาพ้นจากความทรมาน แต่ทางศาสนาถือว่าเป็นบาปคำถามต่อไปจากคุณซานนกรรมที่ทําให้เราโดนใช้ง่ายคือกรรมอะไรครับเพราะผมรู้สึกเวลามีคนอื่นมาใช้เราเหมือนขัดขืนไม่ได้เลยครับต้องโดนเขาใช้ผมต้องทําอย่างไรครับอ๋อเกิดจากทานบารมีของเราไงเราชอบรักใช้ชอบช่วยเหลือคนอื่น พอใครเขาเดือดร้อนเขาก็มาขอความช่วยเหลือกับเราเราก็ปฏิเสธไม่ได้อันนี้เป็นกรรมดีเ้าเรียกว่าบารมีเป็นทานบารมีเหมือนเหมือนพระเวชสันดรนเนยพระเวชสันดรใครเดือดร้อนใครต้องการความช่วยเหลือขาดเหลืออะไรมาขอให้หมดใช่ไหมแม้แต่ลูกก็ยังให้เขาไปเลยะ ขาดไม่ได้เนี่ยคนใจดีเป็นอย่างนี้คนใจบุญเป็นอย่างนี้คนที่ทําทานมาอย่างมากมายจะไม่อยากจะขาดใจคนอื่นนะอันนี้เป็นทานบารมีเป็นหนึ่งในสิบบารมีที่จะส่งให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปถ้าสามารถบําเพ็ญได้ครบทั้งบารมีทั้งสิบนะพระวิสันดรหลังจากที่ตายไปก็ไปเกิดอยู่บนสวรรค์น คนทําทานตายไปไม่ไปนรกไม่ไปอบายไปสวรรค์แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีบารมีได้มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของมีอะไรเต็มไปหมดแล้วก็พร้อมที่จะสละได้คนที่ทําทานจะไม่หวงสมบัติน เมื่อมีเหตุผลที่จะทำให้สละสมบัติก็สละได้เนี่ยพระพุทธเจ้าชายเสทธจตะพอถึงเวลารู้ว่าต้องออกบวชก็สละได้เลยไม่มีความเสียดายในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพราะสิ่งทีท่ท่านต้องการอยู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือปัญญาบรารมีบรารมีอย่างอื่นนี้ท่านสะสมมาหมดแล้ว อุเบกขาบารมีคือสมาธิท่านก็มีแล้วท่านเคยนั่งอยู่คนเดียวเฉยๆจิตก็สงบรวมเป็นอุเบกขาได้อะไรบารมีต่างๆท่านมีหมดขาดอันเดียวคือปัญญาบารมีพอท่านไปเห็นตัวกระตุ้นปัญญาขึ้นมาก็ทําให้ท่านาต้องไปสร้างปัญญาบารมี เห็นอะไรก็เห็นคนแก่ <_ an> เห็นคนเจ็บ <_ an> เห็นคนตายนี่แหละเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวจุดประกายของปัญญาปัญญาคือการเห็นความจริงที่คนที่มีโมหะจะมองไม่เห็นกันจะไม่ยอมมองกันจะไม่ยอมคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันแตคนที่มีปัญญานี้จะเอาความจริงเหล่านี้มาพิจารณามาคิดอยู่เรื่อยๆ จนเป็นตัวกระตุ้นให้ต้องไปหาวิธีสร้างปัญญาเพื่อมารับกับความแก่ความเจ็บความตายนี่คือเรื่องของบารมีทานบารมีงั้นใครมาขอร้องเดือดร้อนอะไรช่วยเหลือด้วยช่วยเหลือไปบางทีถ้าเป็นแบบโพธิสัตว์นี้บางทีตัวเองเดือดร้อนก็ยังก็ยังยินดีจะช่วยก็ สถานนี้เป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าพูดทั่วไปเราควรจะช่วยเขาโดยที่ไม่ให้ทําให้เราเดือดร้อนไม่ใช่ไปช่วยเขาเงินหมดก็ไปขอคนอื่นนี้ไปไปไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นพอคนมาขอเงินช่วยขอเราก็ให้เขาไปพอเงินหมดก็ไปขอจากพ่อจากแม่จากแฟนจากภรรยาจากสามีอย่างนี้ก็ไปเบียดเบียนคู่อื่นอย่างนี้ก็ไม่ควร ช่วยเท่าที่เราช่วยได้แต่สำหรับพระโพธิสัตว์นี้ไม่แน่นะบางทีท่านยินดีตอนนั้นท่านไม่คิดอะไรคิดเพียงอย่างเดียวเมื่อมีช่วยเขาขอก็ให้ไปหมดแล้วทีนี้แต่ถ้าท่านเดือดร้อนท่านจะไม่เป็นคนแบบที่จะไปรบกวนคนอื่น่านก็ยินดีที่จะอยู่กับความอดอยากขาดแคลนของท่านไปคำถามต่อไปจากคุณพงษ์รัตน สติกับสมาธิอย่างไหนเกิดก่อนกันครับ อ, อ๋อสติต้องมาก่อนสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติคือการควบคุมใจให้หยุดคิดนั่นเองถ้าควบคุมใจให้หยุดคิดได้ใจก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิแปลว่าความสงบความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบตั้งมั่นอยู่ในความว่างตั้งมั่นอยู่ในความอุเบกขา อยากเข้าตรงจุดนั้นได้ต้องใช้สติเป็นผู้ดันเข้าไปผู้ที่ดึงให้ใจเราออกจากความสงบคือใครก็คือตันหาความอยากต่างๆใจเราถ้ามีตันหามันจะดันให้เราออกมาหารูปเสียงกลิ่นรส ออกมาหาสิ่งต่างๆแล้วทำให้ใจเราคิดปรุงแต่งว่าจะเอาสิ่งนั้นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้อย่างไรต้องใช้ความคิดตันหาเป็นตัวดันให้เราคิดคิดหาเงินหาทองคิดหาครอบครัวคิดหาอะไรต่างๆเพราะความอยากเพราออยากได้ไงก็ต้องคิดแล้วไปเอาเงินที่ไหนดีก็คิดไปใจก็เลยคิดอยู่เรื่อยถ้ามีตัหาความอยาก แต่ถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความคิดนี้พอหยุดความคิดนี้ตันหาความอยากก็ทำงานไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยความคิดต้องคิดถึงเงินก่อนถึงอยากจะได้เงินต้องคิดถึงแฟนก่อนถึงอยากจะได้แฟนแต่พอไม่คิดถึงเงินไม่คิดถึงแฟนความอยากมันก็สงบตัวลงใจก็สงบนิ่งได้แต่มันพอสติอ่อนกาลังความอยากมันก็ดันออกมาใหม่ เราต้องไปกำจัดความอยากถึงจะไม่มีอะไรดันให้ใจออกออกมาจากอุเบกขาต้องใช้ปัญญาต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ใจอยากเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาได้สามีก็ทุกข์กับสามีได้ภรรยาก็ทุกข์กับภรรยาได้ลูกก็ทุกข์กับลูกได้เงินก็ทุกข์กับเงินได้อะไรมันทุกข์ไปหมด ถ้าไม่มีแล้วรับรองได้ว่าไม่ทุกข์นี่คือปัญญาที่จะหยุดความอยากที่จะทำให้ใจอยู่ในอุเบกขาไม่ออกมาวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆคำถามต่อไปจากคุณวิบูร์พระอาหารหันต์มีความเห็นต่างกันได้ไหมครับในเรื่องเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นธรรมะนี้ก็ได้เช่นวิธีที่จะ สร้างบ้านนี้จะสร้างอาจจะคิดวิธีสร้างไม่เหมือนกันก็ได้บางคนบอกเอาสังลังคาสังตสีบางคนก็บอกว่าเอาลังคากระเบื้องนี่อันนี้มันก็ต่างกันได้แต่ถ้าเรื่องธรรมะเรื่องวิธีฆ่ากิเลสนี้ไม่ต่างกันต้องใช้สติต้องใช้สมาธิต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเดินทางไปจังหวัดนู้น จะเดินองคหนึ่งอาจจะเดินไปก็ได้องเนี่ยจะขึ้นรถเมล์ก็ได้องค์จะขึ้นเครื่องบินไปก็ได้ความคิดเหล่านี้ต่างกันได้คำถามต่อไปจากคุณสิริการบรรลุธรรมที่มีปัญญามากกว่าสมาธิอันนี้จะต้องมีขนาดไหนครับมันไม่ได้หรอกมันต้องมีสมาธิกับมีปัญญา มันต้องมีครบเหมือนกับเรียนหนังสือถ้าหน่วยกิจไม่ครบก็จบไม่ได้ไม่ใช่มีหน่วยกิจนี้เต็มร้อยแต่มีวิชานี้เต็มร้อยแต่วิชานี้ได้สูนอย่างเงี้ยก็ต้องไปเรียนซ่อมวิชานั้นจนกว่าจะผ่านวิชานั้นถึงจะจบได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าสมาธิไม่เต็มร้อยปัญญาไม่เต็มร้อยมันก็ผ่านไม่ได้คาถามต่อไปจากคุณศรีสกุล เวลาไปทําบุญหรือกราบพระบางรูปเพื่อนที่ไปด้วยกันจะมีอาการน้ําตาไหลสะอึกสะอื้นเกิดปิติเพื่อนคนนี้เขาฝึกกรรมฐานตลอดส่วนดิฉันไม่มีอาการดังกล่าวเลยอยากแค่กราบหรือนั่งมองพระท่านเฉยๆเป็นเพราะดิฉันไม่มีสติหรือไม่มีการฝึกจิตที่ดีใช่ไหมเจ้าค ะ, ะไม่ใช่แล้วไม่ไม่มีความรับไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากราบนั้นมีคุณค่ามี มีผลมีความมีผลอะไรกับเราเนี่ยเหมือนคนที่ไปบางทีไปเห็นดารานี่กรี๊ดการ์ดกันขึ้นมาถ้ารู้จักดาราไอคนที่ไม่รู้เห็นแล้วก็เฉยๆมันก็เป็นคนธรรมดามันต้องไปกรี๊ดกาดอะไรนั่นเพราะว่าข้อมูลของแต่ละคนที่มีต่อบุคคล น, นั้นไม่เหมือนกันก่อนที่มีข้อมูลรู้ว่าคนนี้เป็นดาราพอเห็นโอ้ยตื่นเต้นว่าขึ้นมาน้าตาไหลขึ้นมา คนที่ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นดาราเห็นแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยมันอยู่ที่ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับบุคคล น, นั้นว่าเรารู้ว่าเขาเป็นใครอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณเนย ที่บอกว่าฆ่าด้วยความเมตตากับฆ่าด้วยความตั้งใจเช่นเดียวกันกันกบการพูดโกหกหรือเปล่าคะที่โกหกเพื่อให้ผู้อื่นสบายใจกับโกหกเพื่อหวังประโยชน์ก็ถือว่าเป็นบาปผิดศีลเช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าคะก็ผิดเหมือนกันะเป็นบาปเหมือนกันโกหกเหมือนกันไม่ว่าจะโกหกด้วยเหตุผลกลไกใดก็ตามคําถามต่อไปจากคุณเบนซ์ ถ้ามีคนยืมเงินเราไปแล้วไม่คืนและเขายังหยิบยืมเราเรื่อยๆเราก็ให้บ้างไม่ให้บ้างแต่วันหนึ่งเราปฏิเสธการให้ยืมและเขาก็ฝากความหวังไว้ที่เราต้องการให้เราช่วยไม่งั้นเขาจะเดือดร้อนแบบนี้ถ้าเราปฏิเสธไปจะเป็นบาปไหมคะ เพราะเราเองก็รู้สึกไม่สบายใจที่ไม่ได้ให้เขายืมอ๋อไม่บาปหรอกการไม่ให้คนยืมเงินเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้บุญเท่านั้นเองการให้เขายืมเงินหรือให้เงินเขาก็เป็นการทําบุญดีๆนี่เองถ้าเราไม่ไปหวังเอาอเงินคืน ถ้าเราต้องการช่วยเหลือเขาการช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็เรียกว่าบุญถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้บุญท่า น, นเองไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาความเดือดร้อนนี่เกิดจากตัวเขาเองไม่ได้เกิดจากการที่เราไปทุบตีเขาหรือไปทำอะไรกับเขาเลยแต่ถ้าเราทางที่ดีเราควรที่จะพูดกับเขาก่อนให้รู้เรื่องว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะจะช่วยได้ ครั้งต่อไปก็มาก็ไม่ได้แล้วนะทีนี้ถ้าเขามาอีกเขาดื้ออีกก็ก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้เราก็จะสบายใจกว่าคำถามต่อไปจากคุณอรยาถ้าเราผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง จะมีผลต่อการปฏิบัติสมาธิและการปฏิบัติธรรมทำให้ไม่คืบหน้าได้เลยใช่ไหมเจ้คาคะใช่อย่างเมื่อวานนี่มีสุภาพสติคนหนึง่งเดื่มสรามาเมามาแล้วก็ขึ้นมาเอะอะโวยวายมาเล่าว่าเพิ่งฉี่ราดตัวเองนี่พูดไม่รู้เรื่องคุยไม่รเรื่องถามต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเพียงอยากจะมาบอกว่าเพิ่งฉี่ราดอย่างนี้ ถ้าคนมีสติก็จะไม่มาพูดไม่มาทำอย่างนี้มาก็จะมาถามหรือมาฟังธรรมถ้ า, มาเมาสุราแล้วก็จบคนมเมาสุรานี่ฟังอะไรทำอะไรไม่ได้ข้ออื่นก็เหมือนกันถ้าเราไปทำบาปแล้วใจเราจะวุ่นวายจะไม่มีสติมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมได้ไปทำไปโกหกใครมาในี่ใจจะไม่สบายกลัวเขาจะรู้กลัวเขาจะจับได้ ฟังแล้วก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะเข้าใจเพราะยังกังวลอยู่กับเรื่องบาปที่ได้ทำเอาไว้คำถามต่อไปจากคุณจตุรนผมภาวนาพุทธโธเร็วๆไม่ให้ความคิดอะไรเกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นก็กลับมาที่พุทธโธจนไม่ค่อยอยากจะไปไหนและไม่อยากจะทำอะไรไม่ทราบว่าผิดไหมครับถ้าอยากทำพุทธโธก็ไม่ผิดอ่ะ แต่ก็ต to mm ้องควรจะใช้เหตุผลว่าบางทีเราต้องทำอะไรเราก็ต้องอย่าปล่อยให้ความไม่อยากทำอะไรมาเป็นตัวกำหนดนะคือทำอะไรมันก็ต้องอย่าสุดโต่งมันต้องมีเหตุมีผลไม่อยากจะทำอะไรดีแล้วแต่ถ้ามีหน้าที่ต้องทำเช่นเลี้ยงดูเรานี้เราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเราแต่คงยังอยากกินอยู่มั้งไม่อยากจะทำอะไรแต่คงยังอยากกินอยู่หรือเปล่า ถ้ายังอยากกินอยู่ก็ต้องเขาก็ต้องทําทํางานทําการหรือทําอะไรที่เพื่อที่จะได้มีกินฮะไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นเข้าเลี้ยงเดาเนี่ยมันก็ต้องมีหน้าที่เรื่องของหน้าที่การงานจําเป็นที่ต้องทําอันนี้ไม่ควรที่จะให้ความรู้สึกไม่อยากทําอะไรมามาหลอกเราเพราะมันจะเป็นกิเลสได้เพราะบางทีกิเลสมันจะไม่อยากจะทําอะไรมันอยากจะกินอยากจะนั่งสมาธิอย่างเดียว อย่างนี้ก็ไม่ได้พระยังต้องออกบินทบาตถึงเวลาก็ยังต้องมากวาดลานวัดถึงเวลาก็ต้องมาทำความซาสาลาอะไรต่างๆต้องมีหน้าที่การงานที่ต้องทำคำถามต่อไปจากคุณวิการฝึกพิจารณาศพจริงใช่เป็นการฝึกสติหรือเปล่าคะเห็นบางคนไปฝึกแต่จิตหลุดก็มีเจ้าคะ่ะ ความจริงการไปดูศพนี้เป็นการเจริญปัญญามากกว่าไปดูความจริงคือร่างกายนี้มันมีทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่ไม่สวยงามที่เรามีปัญหากันก็คือเราไปเห็นแต่ส่วนที่สวยงามทำให้เกิดตันหาความอยากขึ้นมาอยากแล้วก็ทำให้เราวุ่นวายต้องไปหาคนที่เราอยากได้พอได้เขามาก็รักก็หวงก็ห่วง พอถ้าเกิดเขาจากเราไปก็ทุกข์เนี่ยปัญหารต้องกลายให้เราเห็นแก้ปัญหานี้ให้เราเห็นว่าร่างกายเขาไม่สวยหรอกสวยแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่น่าดูเพื่อที่เวลาเราเกิดอยากจะได้แฟนเราจะได้บอกไม่เอาแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวสบายกว่าอยู่คนเดียวมันสบายใจกว่าอยู่สองคนอยู่สองคนถึงแม้ว่าจะได้ความสุขจากเขา มันก็เรื่องที่จะทำให้เราต้องห่วงต้องกังวลต้องวิตกแล้วถ้าเกิดเป็นเขาเป็นอะไรไปก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจถ้าเราเห็นว่าเขาไม่สวยงามเราก็จะไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนนี่คือปัญญาอาสุภะการไปดูผ่าศพนี้เพื่อจะได้เห็นส่วนที่เรามองไม่เห็นกันคำถามต่อไปจากคุณจินคอป ความสุขที่ได้ช่วยคนอื่นให้พ้นทุกนี้บางครั้งช่วยได้ยากลำบากเราก็มีทุกข์ขึ้นมาหน่อยๆแบบนี้พิจารณาอย่างไรดีครับช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ต้องต้องยอมรับเพราะว่าคนเรามีขีดจำกัดในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมของเขาไป หรือถ้าเราส่งให้ไปให้คนอื่นที่เ็าช่วยได้ช่วยต่อไปก็ส่งไปแม้แต่โรงพยาบาลก็ยังส่งคนไข้เลยใช่ไหมโรงพยาบาลโรงนี้รักษาคนไข้ไม่ได้เขาก็ส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งถ้าส่งไม่ได้เขาก็ก็ปล่อยให้ตายไปเท่านั้นคือคุณที่ขึ้นมาเมื่อวานนี้เขาส่งข้อความมาครับว่ามาเขาบอกว่า ทุกเองข่าฟังท่านอยู่ขอกราบขอโทษที่เมื่อวานตื่นเต้นมากมาพบท่านมีความละอายใจมากค่ะก็ดีถ้ายังมีความรู้สึกผิดถูกดีช่วยอยู่พยายามรักษาสติให้ดีนะตัวเรานี่คนเขาเขาวัดตัวเราที่การกระทาของเรานะถ้าเราทำตัวดีเขาก็ว่าเราดีถ้าเราทำตัวเราไม่ดีเขาก็ว่าเราไม่ดี ถ้าเราอยากให้คนอื่นเขาลากเราว่าชอบเราเราก็ต้องทำตัวเราให้ดีหลีกเลี่ยงการกระทาที่จะทำให้เราตัวไม่ดีการดื่มสุรานี่เป็นตัวที่จะทำให้เราทำอะไรไม่ดีขับรถก็ไปชนคนตายได้พิกความตายตัวเองพิกลพิการก็ได้มีแต่พิษแต่ภัยดื่มสุราควรจะเห็นโทษของมัน ถ้าเห็นโทษของมันแล้วเลิกดื่มได้นี่ก็ถือว่ามีปัญญาได้ได้รับประโยชน์จากความผิดพลาดที่ไปดื่มสุราเห็นโทษแล้วก็เลิกได้นี่ถือว่าเหมือนองคุลิมากลับใจพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนองคุลิมาว่าการฆ่าคนนี่ผิดไม่ใช่ทมไม่ใช่ถูกถ้าจะต้องการฆ่าต้องฆ่ากิเลส เราต้องมาฆ่าความอยากดื่มสุราเป็นกิเลส ท, ที่จะทําให้เรานี้เป็นคนไม่ดีถ้าเราฆ่าความอยากดื่มสุราได้เลิกดื่มสุราได้ต่อไปเราจะเป็นคนดีเพราะเราจะมีสติคอยควบคุมใจเราถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราก็หยุดมันให้มันแต่ให้มันคิดแต่ดีทําแต่ดีพูดแต่ดีแล้วเราก็จะกลายเป็นคนน่ารักเป็นคนดีไป คำถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับคุณวัสนาดิฉันอยู่กับสามีมาสิบกว่าปีเขามีคนอื่นตั้งแต่นั้นมาเราอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่ยอมพูดคุยกับดิฉันมาสี่ห้าปีแล้วดิฉันควรทําอย่างไรเจ้าคะก็เนี่ยแหละต้องใช้ปัญญามาเนี่ยเมื่อกี้กเทศให้ฟังอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับเข า, านั้นงก็กลับไปอยู่คนเดียวก็แล้วกัน ถ้ายากกันไม่ได้ก็อยู่แบบในใจอยู่คนเดียวไม่คิดว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเราไปก็แล้วกันเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนอะไรก็ว่าไปแต่เราอย่าไปหวังอะไรจากเขาคิดว่าต่างคนต่างอยู่ไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่แหละคือความจริงเห็นไหมเวลาอยู่คนเดียวก็เหงาคิดว่ามีเขามาแล้วจะให้ความสุขกับเราเขาก็ให้ความสุขกับเราในช่วงใหม่ๆ พอเขาเบื่อเราเขาก็ไปหาคนอื่นต่อคำถามต่อไปจากคุณพรชัยจุติมาจากนรกสาภาสมาเกิดได้จริงหรือครับได้พระเทวทัตเนี่หลังจากที่พ้นนรกก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมมาบวชใหม่มาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทุกคนไม่ว่าจะไปสวรรค์หรือไปนรก เมื่อบุญหรือบาปที่ส่งไปสวรรค์หรือนรกหมดมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพียงแต่พวกที่มาจากนรกมันก็จะติดนิสัยนรกมาด้วยพวกที่ชอบทำบาปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบทำบาปต่อไปพวกที่ชอบทำบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ชอบทำบุญแต่พวกที่ไปเพราะว่าทำบาปด้วยด้วยเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็น เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนี้กลับมาก็อาจจะไม่มาทำบาปก็ได้อย่างพระเทวทัตนี่เพราะก่อนจะตายนี้สับนึกผิดในบาปที่ตนเองได้ทำไว้ก็จะไม่ทำอีกเวลากลับมาเกิดใหม่เพราะไม่ได้ทำเป็นอาจินไม่ได้ทำเป็นนิสัยทำเพราะเกิดอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมาเสียใจที่พระ เ, เจ้าไม่แต่งตั้งให้เป็นประธานสงฆ์ดังนั้นเอง กเลยเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งเนี่ยการกะระทํานี้ถือว่าเป็นกรรมหนักที่ต้องส่งไปนรกแต่โชคดีก่อนจะไปนิสํานึกผิดจะไปกราบขอขมาพระพุทธเจ้าอันนี้การขอ ข, อขมานี้มันก็จะทำให้เรานังับการทำความชั่วต่อไปเั้นถึงแม้จะกลับมาจากนรกแต่จะไม่กลับมาทำบาปเพราะไม่ได้ทำบาปด้วย ด้วยนิสัยทำบาปเพราะลูกแกโทสะเป็นชั่ววาบเดียวอันนี้ก็จะไม่กลับมาทำบาปอีกเพราะว่านิสัยเดิมชอบทำบุญชอบบวชชอบฝึกสมาธิอยู่ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาฝึกสมาธิมามาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปอยาจะเป็นพระปัจเจร ก, กับพุทธเจ้าคำถามต่อไปจากคุณรัก เวลานั่งภาวนารู้สึกว่ามีกายเบาสบายอิ่มอกอิ่มใจติดและยินดีในอารมณ์แบบนี้ผิดไหมครับไม่ผิดหรอเรานั่งเพื่อเราต้องการให้ได้อารมณ์เหล่านี้เพื่อเราจะได้เลิกไปหาความสุขในแบบอื่นที่เป็นความสุขที่ผิดนั่นเองเราจะได้เลิกกินเหล้าจะได้เลิกเที่ยวจะไดจะ้จะได้ไม่ไปทำอะไรต่างๆที่ ทำแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมาต่อไปคำถามต่อไปจากคุณมดหนูทำงานมีงานหนักมากในแต่ละวันทำให้ติดในงานคิดแต่เรื่องงานอยู่ตลอดหนูควรปฏิบัติธรรมอย่างไรคะทำสมาธิก็มีแต่เรื่องงานควรเริ่มจากไหนคะควรเริ่มจากการลดการงานลงนะสิวิธีจะลดการงานก็ลดใช้เงินลง เมื่อเราลดใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายน้อยลงเราก็ไม่ต้องทำมากถ้างานนี้มันหนักก็เปลี่ยนงานก็ได้ถ้าเราเลิกใช้เงินทองที่ไม่จําเป็นได้ใช้เงินแต่สิ่งที่จําเป็นใช้แก่ปัจจัยสี่อย่างนี้อย่าไปใช้กับการซื้อของฟุม่มเฟือยซื้อความสุขต่างๆตามความอยากต่างๆถ้าเราลดส่วนนี้ได้เราก็ลดการทำงานลงได้ เคยทํางานหนักก็อาจามาทำางานเบาบางคนที่เรารู้จักก็ออกจากงานแล้วมาทำงานอิสระขายประกันขายเครื่องสำอางวันไหนอยากจะขายก็ขายวันไหนไม่อยากจะขายก็ไม่ต้องขายเพราะเขาไม่เดือดร้อนเนองินก็มีพอกินพอใช้เขาก็จะได้มีเวลามาฝึกสติมาฝึกสมาธิได้เพราะฉนั้นปัญหาของพวกเราที่ติดกับการทำงานก็เพราะการใช้จ่ายเงินทองขอ ง, งเราแบบพุ่มเฟือย แบบไม่มีขอบไม่มีเขตเห็นอะไรชอบก็อยากได้ซื้อมาโดยไม่ใช้เหตุผลว่าซื้อมาทมําไปของชิ้นเดียวกันของแบบเดียวกันราคาต่างกันก็ไปเอาของแพงทําไมเสื้อตัวละร้อยกับเสื้อตัวละพันมันก็เสื้อเหมือนกันอย่างนี้มันใช้เงินแบบนี้มันก็เลยต้องทํางานหนักต้องหาเงินมาก แต่ถ้าใช้เหตุผลเสื้อร้อยหนึ่งก็ใส่ได้เสื้อพันก็ใส่ได้เอาร้อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปหาเงินอีกองเก้าร้อยมาก็จะได้ทำงานแบบสบายสบายได้คำถามต่อไปจากคุณอูมีสองคำถามนะครับบอกว่าคุณยายของลูกเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบหก ธันวาคมที่ผ่านมาอยากทราบว่าคำถามที่หนึ่งเวลาคนเราเสียชีวิตแล้วจะไปเกิดทันทีเลยไหมคะไม่จะไปนอนหลับไปฝันก่อนเวลาเรานอนหลับเราก็ฝันฝันดีฝันร้ายอยู่ที่บุญหรือที่บาปถ้าเราทำบุญเราจะฝันดีฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์เป็นดวงวิญญาณที่ฝันดีถ้าฝันร้ายก็เป็นดวงวิญญาณที่ ทำบาปมาก็จะฝันร้ายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างจนกว่าที่จะหยุดการฟ้ามฝันคือหยุดบุญจุดบาปแล้วถึงจะไปรอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปถึงจะได้เกิดใหม่คำถามที่สองตอนคุณยายมีชีวิตท่านทำบุญทำทานใส่บาตรเป็นประจำและรักษาศีลห้าเป็นปกติ และอุโบสถศีลในวันพระถ้าลูกทําบุญอุทิศไปให้ท่านถ้าท่านไปเกิดเป็นเทวดาจะไม่ได้รับบุญจากเราลูกอยากทราบว่าเมื่อเราทําบุญให้ถ้าท่านหากท่านอยู่บนสวรรค์จิตของท่านจะทราบถึงความปรารถนาดีของลูกไหมคะก็แล้วแต่ว่าท่านจะส่งจิตมาหาเราหรือไม่ถ้าท่านส่งจิตมาดูเราเป็นระยะระยะท่านก็อาจจะทราบว่า เ, ออเราทํานู่นทํานี่ ถ้าท่านทราบท่านก็จะดีใจมีความสุขใจที่เรายังคิดถึงท่านยังรักท่านอยู่อย่งนั้นทำไปเถิดตึ้งแม้ว่าท่านจะ เ, เป็นเทวดาหรือไม่ก็ตามเผื่อไว้ถ้าท่านไม่เป็นก็ท่านอาจจะได้รับประโยชน์จากบุญที่เราส่งไปถ้าท่านมีพอท่านก็จะอนุโมทนาชื่นชมแล้วเราก็จะได้บุญของเรานี่แหละ บุญที่เราทำนี้ส่วนใหญ่เป็นของเราส่วนที่เราแบ่งไปนี้เป็นส่วนย่อยเนีย่ยยงนั้นการมีเหตุที่ทให้เราทำบุญหนดีเพราะว่าเราธรรมดาไม่ชอบทำบุญกันต้องรอให้มีเหตุการณ์ก่อนถึงจะทำกันเราควรกังวลเกี่ยวกับตัวเรามากกว่าท่านเพราะท่านไปแล้วแต่เรายังไม่ไปนี่เรามีทางเลือกได้ถ้าเราอยากจะไปดีเราหมันทำบุญให้มาก เมื่อทำเหมือนท่านทำบุญรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์วันพระก็เข้าวัดถือศีลแปดฝึกสติฝึกสมาธิฟังเทศฟังธรรมรับรองได้ว่าตายไปจะต้องไปเป็นเทวดากันท่านคําถามต่อไปจากคุณวรวรรณ ทุกวันนี้คิดเสมอว่าตัวเองจะมีอายุไม่ยืนอาจจะตายปีนี้หรือปีหน้าก็ได้อาจจะตายวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้แก่เลยค่ะก่อนนอนก็จะคิดว่าตัวเองเวลาตายต้องทำอย่างไรตลอดเลยแบบนี้แปลกไหมคะควรจะคิดแบบนี้ต่อไปใช่หรือเปล่าเจ้าคะถูกแล้วแหละเพียงแต่ว่า นอกจากคิดเรื่องความตายแล้วต้องคิดว่าาเราจะทำอะไรดีช่วงที่เรายังไม่ตายเราต้องรีบสร้างบุญให้มากๆบุญก็มีสามระดับบุญที่เกิดจากการทำทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราทำทานรักษาศีลเราก็จะไปสวรรค์ไม่ไปอบายถ้าเราภาวนาได้เราก็จะไปสวรรค์ชั้นพรหม หรือถ้าเราภาวนาขั้นสูงสุดได้เราก็จะไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้คือสิ่งที่เราควรทําในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ถ้าคิดไว้ว่าเราจะตายแล้วก็เตรียมตัวตายโดยไม่ได้เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอะไรไปตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนถ้าอยากจะไปที่ต่างๆเราต้องเหมือน ตีตัวนะ๋วเนี่ยเรารู้ว่าเราจะต้องออกเดินทางเราก็ต้องเตรียมเงินเตรียมทองไปซื้อตัว๋วอยากจะไปสิงคโปร์ไปอเมริกาหรือไปไหนต้องไปทำวีซา่าต้องไปอะไรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ต้องหมั่นทาบุญอย่าทาบาปเนี่ยถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องถือศีลแปดนั่งสมาธิถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องเจริญปัญญาด้วย ให้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะไปถึงนิพพานได้เดี๋ยกอีกคำถามสองครับโอเคเอาแค่อีกสองคำถาม น, นะเพราะเวลาหมดแล้วคุณวิไลพันธ์ครับคนสมัยนี้พอมีลูกทำไมจึงชอบเอาลูกมาให้พ่อแม่เลี้ยงสมัยพ่อแม่ยังต้องเลี้ยงลูกเองจนเติบใหญ่ แม้จะต้องอดมือกินมือทุกยากลำบากก็ตามการที่ลูกๆสมัยนี้เอาหลานมาให้พ่อแม่เลีย้ยงนั้นแสดงว่าลูกๆทำบาปกับพ่อแม่ใช่ไหมเจ้าค้าเป็นการสร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในชาตินี้หรือเล่าไม่รองม<ๆ>ันเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความกเกียด ไม่ยอมรับผิดชอบแล้วตัวเองก็อาจจะไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงของตนเองได้ก็เลยต้องเอาอมาฝากพ่อแม่ที่ยังพอมีฐานะเลี้ยงดูได้พ่อแม่ก็สงสารเพราะเป็นหลานก็รับเลี้ยงไปไม่เป็นกรรมของพ่อแม่แพ่อแม่เลี้ยงหลานพ่อแม่ก็ได้บุญเพียงแต่ลูกเนี่ยเป็นกรรมเพราะว่าเป็นนิสัยไม่ดีเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมที่จะมีลูกก็ไม่ควรที่จะไปมีลูกต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ แต่ควบคุมอารมณ์กันไม่ได้สมัยนี้พอเกิดอารมณ์ก็เลยร่วมหลับนอนกันไม่คิดถึงว่าผลที่จะตามมาเป็นอย่างไรก็ยังดีกับพวกที่พอท้องแล้วก็ไปทำแท้งพวกนี้ยังอุตสาห์คลอดลูกออกมาเมื่อตนเองยังไม่สามารถเลี้ยงได้ก็ไปฝากพ่อแม่ไว้ก่อนแล้วต่อไปเขาอาจจะมีฐานะดีขึ้นเขาก็อาจจะไปขอรับลูกกลับมาเลี้ยงเองก็ได้มีเยอะแยะ เป็นเรื่องของสังคมเรื่องของการขาดการอบรมสั่งสอนเรื่องของการควบคุมอารมณ์ทางกามสุกรหามในโบราณถ้าพูดสุกรหามคำถามสุ ด, สดท้ายจากคุณเซสครับมีอุบายอย่างไรที่จะทำให้จิตเป็นกลางมองทุกอย่างให้เป็นธรรมดาครับ ก็ต้องฝึกสติกับปัญญาเนี่ยสติก็คอยหยุดความคิดเพราะหยุดความคิดก็จะหยุดความอยากได้เป็นพักๆมันก็จะเป็นกลางเป็นพักๆถ้าอยากจะให้มันเป็นกลางตลอดเวลาก็ต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นตายลักแล้วมันก็จะไม่อยากได้อะไรถ้าเห็นว่าทุกสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกขมันก็จะไม่อยากได้เมื่อไม่มีความอยากมันก็จะเป็นกลางไปตลอดเะ อาลานาะสำหรับวันนี้ทางภาคภาษาไทยจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาครลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุป ป, กปักปติอิจอิตชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนหาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตตะวันตรายโสุขีทีขายุโกภวะ อะพิวาธนสศีริสะนิจจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภลาง